พราความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใตร่มประโพธยญาณในวันนี้จะพูดเรื่องการไปรูป ก, การศึกษาตามพระราชบัญญัติการไปรูป ก, การศึกษาแต่ว่าปกนี่ก็ใช้คำว่าร่างกฎหมายเพื่อการไปรูป ก, การศึกษาทํพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปศสองพันห้าร้อยสี่สิบสอง ที่อยู่ในขอบเขตภารกิจของสำนักงานปฏิรูปการศึกษาแต่เขาก็มีรักไก่ไว้นะฮะบอกว่าร่างเบื้องต้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ในตอนนี้มันก็มีการปรับเปลี่ยนในตัวร่างตรงนี้ไปพอสมควรแต่พอเรามาอ่านแล้วเนะี่ยเราจะเห็นว่า มันมีลักษณะที่เขาเรียกว่าหมกเม็ดนะฮะภาษาที่ใช้นั้นมีลักษณะที่หมกเม็ดมากยิ่งขึ้นคือตัวต้นร้างเนี่ยบรญญัดไว้ในมาตราที่สิบเจ็ดซึ่งถือว่าเป็นมาตราเดียวที่มีปัญหาที่สุดหมายความตะแก้ตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ความขัดแย้งนั้นจะกระจายลงไปสู่ท้องถิ่นถึง สองร้อยเก้าสิบห้าองค์กรด้วยกันพราะคณะกรรมการที่ประกอบด้วยศาสนิกในศาสนาอื่นนี้จะอยู่ในที่นั้นในานามของผู้นำศาสนาและคำว่าผู้นำศาสนาใ น, ในศาสนาพุทธเราไม่ได้ใช้มันเป็นภาษาที่ใช้กันในศาสนาอื่นผมก็จะอ้างสถานะผู้นำทางศาสนานลงไปอยู่ในที่นั้นๆแล้วก็ไปทะเลาะ ก, กันในท้องถิ่น งานที่ถูกบริหารนั้นเป็นงานของพุทธนะฮะแต่ผู้บริหารนั้นเป็นคนต่างศาสนาคล้ายๆกับเราเป็นานานิคมอยู่โดยธรรมชาติในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองในทางการศาึกษาในถูกฝรั่งฝรังชาติมาครอบงาอยู่พอมาศา ส, สนาชินปะวัฒธรรมก็มีคนตางศาสนามาครอบงาอยู่ก็น่าจะถามดูเหมือนกันว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศเสรียอยู่อีกหรือ เมื่อความจริงที่ปรากฏในขเนี่มีลักษณะอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องวิชาการหน่อยนะแต่ว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องจับหลักให้ได้ก่อนเพราะว่ามันอย่างนั้นก็กล่าว่าเราพูดเรเองคือข้อความในร่างเนี่นะโดยเฉพาะก็คือเดาเฉพาะวักแรกนะ บอกว่าให้มีคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรมอันนี้คือผูกโยงมาจากพระราชบัญญัติการสาธาแห่งชาติที่กำหนดเอาไว้แล้วก็มีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่พิจารณานโยบายนโยบายเนี่ยกำหนดขึ้นเองก็ได้นะให้คนอื่นกำหนดขึ้นมา ตามแนวที่ตัวเองวางไว้แล้วก็พิจารณาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตัดต่อเขว่ากันไปก็ทําได้ตลอดแล้วรวมทึงแผนพัฒนาด้านาศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมต้องฟังสังเกตนะฮะว่าตัวกรรมการเนี่ยชื่อกรรมการเนี่ยไม่ได้คุมถึงศิละปะแต่พอเนื้อ ง, งานเนี่ยไปคุมถึงศิละปะทีนี้จะถามมาศิละปะใครละ่ะ เป็นศินละปะของพุทธศาสนาเป็นวัฒ น, นธรรมของพุทธศาสนาเพราะว่าของศาสนาอื่นเนี่ยไม่ได้เอามาอยู่ในควบคุมของคณะกรรมการชุดนี้เค <im it> ยถามเขาว่าทำไมไม่เอางานเขามาด้วยละ่ะเออของพุทธนี่เอามาให้คนอื่นบริหารทุกศาสนาแล้วองศาสนาอื่นทำไมไม่เอามา เขาก็บอกว่าเขาเคยเป็นองค์กรเอกเทศที่เราไม่เคยบริหารเขามาก็บอกว่าศาสนาพุทธคุณก็ไม่เคยบริหารฐานราชการเนี่ยไม่เคยบริหารศาสนาพุทธนะฐานหน้าที่แค่อุปถัมภ์ฐานอบรมแลแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมสนองประสาน มีบ้างนะฮะที่มีการเสนอความคิดเห็นอะไรบ้างแต่ไม่ใช่ว่ามีผลตามกฎหมายมันจะต้องผ่านกระบวนการของมาเราสมาคมต่อไปรวงกรนในางสูงสุดของคณะสงฆ์ต่อไปแล้วก็กำหนดไว้หน่อยหนึ่งว่าที่สอดคล้องกับแผนการถึกสา แผนการศึกษาศาสนาศิละปะและวัฒนธําแห่งชาติตัวลงมาองค์กรเนี่ยไม่รู้ชื่อยังไงดีคือบางทีมีศิละปะบางทีไม่มีคำศิาาละปะก็ยังไม่เคยสอบถามเขานะฮะแต่เราจะเห็นว่าถ้าเราดูเนื้อ ง, งานที่เขาว่าไว้ในตอนต้นๆเนี่ยมันไม่มีศิละปะ จนสำนัก ง, งานเลขาธิการสภาการศึกษ า, าศาสนาและวัฒนธรรมพอมาตั้งเป็นกระทรวงก็เป็นกระทรวงการศึกษ า, าศาสนาและวัฒนธรรมพอมเป็นคณะกรรมประมาเป็นสภาก็สภาการศึกษ า, าศาสนาและวัฒนธรรมทีนี้พอพอออกมาปไปถึงจุดหนึ่งก็มีศิลปะแทรกเข้าไปเลยเลยไม่รู้จะเอาอยัางไงมีขนาดงานกฎหมายนะฮะ เป็จ้าอย่างไงว่าภาษาทางกฎหมายในการขาดเหลือในด้านภาษาของกฎหมายในการตกลหล่นด้วยคําเป็นคําเดียวมันก็มีปัญหานะครับอย่างในเนี้ยอย่างในกฎนียกรรมมันมีข้อความตกไปคําเดียวต่อเป็นเหตุด้มีการวินิจฉัยว่าชาวบ้านไม่สามารถจะโจทย์พระปินสูตรได้ตั้งๆที่โจทย์กันมาหาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะชาวบ้านโจทย์เกือบจะทั้งหมดเลยทำไป แต่ว่าปกคนเรียงพินมันเปลี่ยงพินตกไปเราก็ไปบอกว่านังสือไม่มนะีแต่ไม่รู้ว่าโบราณประเพณีเนี่ยมันมีอยู่แล้วอำนาจหน้าทีต่ต่อไปก็คืออะไรคือการสนับสนุนทรัพยากรก็ับมาทรัพยากรเนี่ยก็มีหลายความหมายนะหมายถึง อาจจะเป็นเงินก็ได้อาจจะเป็นบุคลากรก็ได้อาจจะเป็นวัสดุประกรณ์ก็ได้แต่ละอย่างต่างๆนี่ส่วนใหญ่มันก็ผ่านงบ ป, ประมาณมาทตนน่ในสําคัญว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่จะเป็นเจ้าของทรัพยากรเขาเป็นลูกจ้างของรัฐเพราะคนที่เป็นเจ้าของรัทรัพยากรจริงคือประชาชนที่เสียภาษีให้แก่รัฐและประชาชนส่วนใหญ่ก็คือพุทธศาสนิกชนที่เสียภาษีมา รลฐก็มาจัดสรรในการพยายามราชการแผ่นดินงบนะประมาณก็ต่างคนต่างทำขึ้นไปเขาไม่มีหน้าที่จัดสรร น, นั่นนะฮแล้วก็ที่จริงเขาก็มีหน้าที่ในการตัดสินใจที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้ําไปมันไปอยู่ขั้นตอนคนละขั้นตอนกันมันเป็นเรื่องของกรรมการงบประมาณในสภาอุดรรวุฒิะสะภา สำนักว่าประมาณปกทรวงกลางพวก โ, น, โนั้นนะะมันควรละเรื่องกันนะแต่พูดคล้ายๆกับว่ามันมีคุณอุปการดอกรรมการเหล่านี้เหลือเกินแล้วเถอะนั่นคือภาษากฎหมายที่จาเป็นจะต้องเขียนไว้จาเป็นจะต้องพูดไปแต่ว่าอย่าลืมอำนาจเนี่ยติดตามตรวจสอบและประเมินผล ในร้อแปดปัญหาการรูปการศาึกษาเนี่ยยังใช้กรรมกำกับด้วยคือค่อยกระแสกระแสกระแสกระแสเข้าไปเรื่อยเรือยเราจะลือมอำนาจขนาดนี้ยการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการเนี่ยหมายกว่ามอำนาจในการให้คุณให้โทษพอตรวจสอบถ้าถูกต้องก็ให้คุณนะตาไม่เป็นที่พอใจก็ให้โทษ สั่งปรปับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงลงโทษอะไรแต่ใด ไ, ได้ทั้งหมดไม่ใช่ธรรมดานะแน่นอนเน่ยเขาไม่ทําเองก็าตั้งกรรมการคือมันอธิบายแต่แบ่งไปแต่แบง่งมานะได้แต่ว่าภาคของการบริหารจริงๆเนี่ยมันจะออกมาในรักษาะอย่างนั้นและที่สาคัญอย่างยิ่งคือมีอำนาจติดแฝงไว้อย่างหนึ่งและมีอำนาจในการออกระเบียบหลักเกณฑ์และประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ อันนี้ข้อความในวักหนึ่งนะครับทีนี้ประเด็นตัวนี้ยมาก็ติงก็ถกเถียงกันมาประทปมควรมาบอกว่าคุณเล่นหมกเม็ดเนี่ยคุณจะเห็นว่าระเบียบเนี่ยไม่รู้คุณว่า ย, ยัางไงกฏเนี่ยคุณหลักเกณฑ์เนี่ยคุณก็ไม่รู้ว่า ย, ยัางไงแล้วประกาศเนี่ยคุณก็ไม่รู้จะว่า ย, ยัางไงแต่เป็นอำนาจกฎหมายมาให้อำนาจคุณไว้อะ่ะแล้วถ้าคุณออกสมมติว่าออกระเบียบปฏิบัติ ว่าพระพุทธรูปมีอยู่มากแล้วต่อไปใครจะสร้างพระพุทธรูปเนี่ยต้องตรวจแบบก่อนหรือว่าพระพุทธรูปมีนิ้วประหารเสมอกันเนี่ยมันผิดธรรมชาติต้องตัดออกที่มีอยู่แล้วต้องตัดออกหรือว่าที่สร้างใหม่เนี่ยต้องไม่ให้เสมอกันหรือว่าจะต้องขออนุญาตเป็นอายรไปเป็นต้นชมมดป้านะะเขก็ทำได้เนี่ยอำนาจผกฎหมายเขาให้เนี่ยเขาทได้ แต่มันให้โทษให้คุณเฉพาะพระพุทธศาสนามันไปไม่มีอำนาจในการให้โทษในคุณศาสนาอื่อนศาสาอื่นก็มีแต่คุณอย่างเดียวนะก็ได้แล้วนี่คือสิ่งที่น่าสลดตรถถู่ใจเป็นเรื่องใหญ่แต่ที่น่าดีใจก็คือว่าจ้าผู้ส่วนหนึ่งที่รับรู้ในเรื่องนี้มาประทับใจคุณหมอรัชมีกับคุณยม สมปองวันนิสอนก็ที่จริงก็ไม่รู้จักกันท่านก็ไปเห็นหนังสือที่มาเขียนเรื่องไม่ยกย่องก็อย่าเหยียบย่านานแล้วก็เกิดความสนใจก็มาหาทั้งสองคนทีมีปัญญาก็มาเล่าถึงความคิดที่จะสนับสนุนที่จะมี์เอกสารนี้ขึ้นเผยแพร่มาก็ได้แต่อนุโมทนานะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่า แล้วก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะฮะคนอย่างเงี้ยคือพูดด้วยทําด้วยแล้วเสียสละ ด, ด้วยเนะี่ยยากส่วนมากพวกเราพูดเก่งนะฮะพูดเก่งแต่ว่าไม่ค่อยฟักสตางค์่็ไม่ค่อยจ่ายงานบางเรื่องเสนอจะหยดย้อยแล้วก็ถามเอางบประมาณที่ไหนไม่มีเอาไม่มีทํำยังไงนะก็จาย์ต้องหามาจ่ายเอาเราไม่จะเศรษฐีนี่นะฮะไอ้นี้คือปัญหา บรรณาว่าพูดพูดกันได้แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็เรียกร้องสามาคัคคีแต่เราต้องร่วมแรงร่วมใจนะเพรานี้โดยเฉพาะพระหนุ่มๆ ม, มีหลายรูปที่ตื่นตัวออกเผยแพร่ทางวิทยุออกพูดจากระยัโรมอธิบายชี้แจงให้เกิดความเข้าใจต่างๆแต่พระผู้ใหญ่ส่วนมากก็ยัง ถ้าบาจะบายดีอยู่นะคือไม่ค่อยจะตื่นตัวกันเท่าที่ควรมันเป็นน้นตรายระยะยาวเพราะเรื่องนี้มาถึ ง, ถ, งถึงอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องลําดับมาให้ชัดเจนไปในช่วงเนี่ยเมษาเนี่ยในช่วงเมษาเนี่ยคงจะว่าไปเรื่อยๆนะเรื่องตนะ ร, ง, ร, ง, รงนี้จะถึงถึงสงการถึงอะไรเนี่ยนะ มันมีขั้นตอนที่จะต้องลำดับความคือครบทวนนะตัวนี้ก็เกินนำไปก่อนแต่ว่าเราจะย้อนอดีตมาให้ดูว่าตัวพุทธศาสนากระชนชาติไทยเนี่ยมันผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วแล้วก็เราอยู่กันมาใครมาอยู่อาศัยกี่ชาติกี่าศาสนาเราไม่ว่าอะไรเลยนะเป็นชาติเดียวกัน เราศึกษาด้วยกันได้แต่ว่ า, าศาสนาต้องเคารพสิทธิของกันและกันไม่ลุ้งหลือเมื่อกันมันเป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกันนะโดยไม่รวมกันเรามองถึงต้นไม้ในป่าเนยมันก็อยู่ร่วมกันได้อนะแต่เราใครไปมัดดูไม้หมดตายหมดตนมม้นไม้หยุดไม่ได้แต่เราร่วมดินร่วมน้ําร่วมลมร่วมอากาศ รวมต่อสู้ร่วมปกป้องกันนะฮะลมแรงมาก็ช่วยกันปะทะลมไว้ตอนเล็กต้นน้อยก็แต่เราการคุ้มครองไว้พรลมทับไปไม่ถึงตายมันไม่อยู่กันไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ใครไปเกิดมรรัดรวมกันมันก็ตายอาย่ไม่ได้พัะศาสนานี่มันต้องควรเป็นสิทธิทางศาสนาของเขา คื อ, อยังนึกว่าแม้แต่การบรนนิหารในแนวนี้ถ้าเราทำไมไม่ใช้ประโยชน์ทว่าส่วนงานหรือภารกิจด้านศาสนาของศาสนาใดๆให้อยู่ในอำนาจรับผิดชอบขององค์กรบริหารสูงสุดในศาสนานั้นๆทำไมไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยก็แน่นอนกนรอ า, ารนกษาเราบริหารด้วยกัน แต่วัยก็จริงแหละคือพอมาถึงตรงนี้มันก็กรรมการก็มีอยู่มากเพราะอะไรเพราะว่าทั้งาศาสนาทั้งศิลปะเลยวัฒนธรรมมันก็มาจากองค์กรทางศาสนาแต่นั้นแต่แล้วก็ขึ้นองค์กรงานสูงสุดทางศาสน า, ส า, นากรรมการชุดนี้ก็เลยใหญ่ไม่ถึงที่แล้วก็ตั้งขึ้นในรูปของจริงๆเนี่ยมันก็คือคือกันแหละกับ พระอาจบัญญัติอุปธรรมคุ้มครองแลพุทธศาสนาที่ลุกขึ้นกันต่อต้อตานเขาหนึ่งดีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติได้ชาวบ้านปกครองพระเนี่ยเนื้อหาในพระราชบัญญัตินั้นที่จริ่งอมาพิธิปรึกษาอยู่นะอัตมาขอแก้เยอะเลยแล้วเขารับปากจะแก้่ผลได้พอพิมพ์มาไอ้ตายไม่แก้เลยก็ไม่ค่อยเชื่อนะเดี๋ยวนี้ยเวลาทํางานกับคนเหล่านี้เราไม่ค่อยเชื่อ เพราะว่ามันถูกหลอกซ้ำซากถูกหลอกแล้วหลอกอีกวานตัวน้อยก็เฉยทีนี้เวลาเนี้ยตรงเนี้ยตีทีที่บอกว่ามีอำนาจในการออกระเบียบหลักการหลักเกณฑ์และก็ประกาศเนี่ยเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามราชบัณฑิตนี้เวลา น, นี้มันก็มาถึงในการจัด ก, การองค์กรคือใช้ารายละเอียดตามราชบัณฑิตเนี่ย เขาก็บอกว่าคณะกรรมการและสํานักงานคณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรมนะ 4.1 คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม 4.1.1 อํานาจหน้าที่นะเห็นหมาเขาบอกเขาไม่มีอำนาจแต่ก็บอกว่าอํานาจหน้าที่มันควเราต้องมีอํานาจมีหน้าที่แล้วก็มีตําแหน่งมันต้องมีครบทั้งสามอย่างคือมีอย่างใดอย่างหนึ่งมันทําไม่ได้ มีอำนาจมีได้ยังไงคุณไม่มีหน้าที่คุณไม่มีตําแหน่งเนี่ยคุณมีหน้าที่แต่คุณไม่มีอํานาจคุณมีตําแหน่งคุณทําด้านทํางานได้ยังไงมันไม่ได้อ่ะสามอย่างนี้มันติดอยู่ด้วยกันคือต้องไปไปด้วยกันก็อยู่ด้วยกันนะจะเสื่อมหรือจะเจริญก็ก็อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ก็บอกว่าอันนี้ยังยังลอกมายังลอกข้อความเดิมมา การสนับสนุนทรัพยากรการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการดําเนินการดำเนินการด้านศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมทีนี้ไอประเด็นที่มาติงเมื่อกี้ ท, ท, ที่ที่บอกว่าเคยติงเขาเนี่ยเขาหลบนะฮะเขาหลบมาลูกเล่นเปลราวเลยเนะมันมากกว่าเดิมอำ น, นั้นมากกว่าเดิมก็บอกว่าที่เขาหลบไปเนี่ยคือยืนหน้าในการออกระเบียบหลักเกณฑ์และประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ก็ออกมาเป็น รวมทั้งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติกงานตามที่คณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรมมอบหมายนะเป็นตรงกลางตัวแทนคือใช้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาให้ชาติอำนาจตามที่เขากําหนดนะฮะคือการตั้งอนุกรรมการเนี่ยตั้งอนุกรรมการคณะนั้นให้มีอำนาจอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่าว่าไปนะให้มีอำนาจและมีหน้าที่อย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่างนั้น ซึ่งอาจจะกว้างกว่าที่ประกาศที่หลักเกณฑ์นะฮหรือออกกฎต่างๆดีที่ว่าดะทําไปโดยเพิ่มคณะปกครองขึ้นมาอีกเป็นเป็นกี่ชุดละ่ะลองลองดูนะฮะคือตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเออไม่ใช่รัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยคณะกรรมการสภาแล้วก็ประลัดแล้วก็คณะกรรมการนี้ แล้วคณะอนุกรรมการแล้วก็สํานักคณะกรรมการแล้วก็เลขาธิการเลขาธิการสํานักงาแต่ละสํานักเนี่ยมีเลขาธิการก็ใล้ายๆกับอธิบดีแต่เลขาธิการเนี่ยมันอยู่ใต้ปกครองของคณะกรรมการคณะบุคคลเนี่ยก็ประกอบด้วยศาสนาอื่นก็ส่งลูกน้องมาบริหารนะมาควบคุมเราอะแล้วก็ เขาก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งยังไงก็ได้เพราะว่าแนวปัจจุบันเนี่ยแนวแนวกระแสในปัจจุบันถ้าเราศึกษารายละเอียดเนี่ยอาตมายังนึกนะครับว่าพวกกรรมการเหล่านี้ที่จริงไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดอะไรเท่าไหรแล้วเพราะถ้าเราอ่านเนี่ยข้อความมันบกพร่องเยอะเลยอย่างนี้ยกตยัวอย่างบางทีมีศิละปะบางทีไม่มีศิละปะบางทีหน่วยงานระดับกรมนะฮะยังมีคําว่าศิละปะปอนอยู่อ้าวบางทีไม่มี คือจะเอาอะไรล่ะพราะพวกนี้ที่จริงก็ไปด้วยกันาศนาสนาศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเขาไปด้วยกันและจริงเป็นอันเดียวกันด้วยนะฮะยกตัวอย่างพระพุทธรูปเนี่ยพระรูปเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นาศาสนาวัตถุในขณะเดียวกันก็เป็นงานทางปฏิมากรรมเป็นศิลปรกรรม แล้วก็เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุธรรมเขาเป็นวัตนธรมรมเห็นไหมพุทธรูปองค์เดียวมก็เป็นติดกันนะทีนี้พอติดกันในเราจะเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาอื่นเลยมันเป็นเรื่องของพู้เราล้วนๆแล้วทําไมคุณึงตั้งคนอื่นมามาบริหารเราแล้วตําแหน่งประจําเหล่านี้อีกนะี่ก็อีกหละมีทั้งหมดห้าคนนะ ห, ห้าท่านด้วยกัน กระทรวงศึกษาศึกษากระทรวงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการสภาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการรวมศึกษาเนีแล้วก็หมายความว่าคนเราเนี่ยเป็นการงารประจําเป็นการการประจําแล้วก็ ทุ่ปิงกันมาเขก็เพิ่มพระกันอีกสามบูคือเราไม่สนใจประเด็นตรงนี้พระนี่ไปเป็นกรรมการมันไม่ดีหรอกเวลาเนี้ยเขาก็ให้ความเคารพพระเวลาเอาพระเป็นกรรมการเนี่ยเขาเรียกว่าที่ปรึกษ า, เ, าเวลาเรียงชื่อเวลาพิมพ์หนังสือเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนประธานกรรมการแต่ว่าเวลาทำงา น, นก็ทำงานไปนกรรมการนั่นแหละ พราไม่ต้องการไปยื้อแย่งอะไรตรงนั้นหรอกมันเป็นเรื่องชาวบ้านทําไปเถอะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าศาสนิกในศาสนาอื่นทําไมบอกมาบริหารเนื้อ ง, งานของพระพุทธศาสนาล่ะมาบริหารพระพุทธศาสนาศีล ป, ปะในพุทธศาสนาวัฒนธรมในพุทธศาสนานี่คือประเด็นมันก็หลบประเด็นอย่างเงี้ยคือไม่พยายามเข้าใจตรีหนึ่งว่าคนละประเด็นถ้าไม่ได้เรียกร้องขอมีส่วนแบง่ง อตราส่วนกรรมการคือถ้าถ้าจะมีก็มีในฐนานะพิติที่ปรึกษาหรือว่าเอาชาวพุทธที่มีความรรู้จริงๆนะในภูสาหนานี่จะเข้าไปจริงๆภาพไปไประชุมร่วมอยู่กับชาวบ้านแล้วโดยเฉพาะมีตัวแทนศาสนาอื่นอยู่ด้วยมันไม่ใช่สนุกนะฮะมันเป็นบรรยากาศที่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง เราเมื่อประชุมก็าต้องมีการเวทีมีการตกเฉียงและพระก็อายที่จะตกเฉียงชาวบ้านในที่ประชุมอย่างนั้นแต่ตามปกติพระเวลาประชุมเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่พูดทีนี้ในเมื่อมายุ่งกับเราเนี่ยเราก็ต้องพูดพูดแล้วสมมติว่าเขาแสดงอาการดูถูกดูหมิ่นขึ้นมาเขาไม่รับถือนี่ไม่จะพระเขาเนี่ยมจะว่าไงมันมีแต่ความแตกแยกรล้าาน ไม่ได้สร้างสารรค์พัฒนาอะไรเลยความคิดเหล่าเนี่ยแทนที่จะเป็นปฏิรูปเนี่ยเขามีการพูดว่าอ่านไปอ่านมามันชักจะปฏิกูลน่ะแล้วมันจะเกิดปัญหาซ้ำซากรุนแรงกว่าที่เคยเกิดมามันเกิดความขัแดแย้งในส่วนหัวที่มนมีปัญหาตอนเนี้ไม่นในส่วนข้างล่างในส่วนปลายพอเกิดการขัแดแย้งในส่วนหัวมันก็ชักจะยุ่งอ่ะ เป็นปัญหาที่จะต้องทําความเข้าใจนะฮะในโอกาสต่อไปช่วงนี้ก็ามาถึงช่วงที่เรียกว่าองค์กรองค์พูดแทนองค์กรศาสนาที่ราชการรับรองได้แก่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาชิกศาสนาพราหมณ์ดูที่จริงๆถ้าเรียงด้วยความเป็นธรรมเนี่ยก็ไม่เด็งอย่างนี้นะตรงนี้อิสลามไว้เป็นอันดับสองรองจากพุทธแล้วก็เรียนคริสแล้วก็เรียงพราหมณ์ดูนะซิกมันมีแค่สองพันกว่าคนนะนั่นเด็ในเมืองไทยเนี่ยโดยเนฉะล่าซิกก็คือแขกซิกอะ ราวินดูก็คือพวกอินเดียนี่คือคือสิ่งที่ต้องมองฮนะเพราะเวลาเนี้คล้ายๆเราเป็นอาณานิคมยังไงชอบกลวันหลังก็จะจะจะเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาต่อไปต้องฟังทั้งหลายแต่รลวงพ่พธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมอหงำไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี